ทำบุญทำทานกันบางเถิดท่ า, ทานทางหลายเดียวจะเดินชนพระตายสร้างสมบุญไว้กันเสียบางโลกเราทุกวันล้วนแปรเปลี่ยนผันไม่จริงจังเดี๋ยวรถชนกันเดี๋ยวยิงกันบ้างข่าฝัานกันจังไม่ว่าที่ไหนทำบุญทำทานกันบางเถิดท่ า, ทานเชื่อผมพ่อแม่ตายไปนานนมยังชื่นและชมกุศลได้ บุญไม่สิ้นเราไปได้กินเมื่อยามตายจะห่วงและห่วงสมบัติทำไมกักตุนไว้ให้ลูกหลานแย่งกันเช้าๆช้าเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใส่บาตรกันเสียบ้างสีประมาทึงที่ถึงบ้านใดบ้านหลบหน้าไปไหนเล่นมาเล่นไ่ไม่เคยจะอันเล่ายากินได้สารพันแล้วทำบุญนา น, นหมดกี่สตางค์ ทำบุญทำทานกันบางเถิดท่านทางหลายถึงยากจนไม่เป็นไรเราก็ทำได้ไม่ต้องมั่งคั่งมาเข้าวัดดันฟังเทเถิดท่านนั้นถูกทางเลิกผุวยใายดินให้สิ้นสากกินบ้างเก็บบางเหลือใชท้ทำบุญ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 ทำบุญไม่สิ้นเราไปได้กินเมื่อยามตายจะห่วงและห่วงสมบัติทำไมกักตุนไว้ให้ลูกหลานแย่งกันชาวเช้าเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใส่บาตรกันเสียบ้างสีพระมา ถ, ถึงที่ถึงบ้านใดบ้านหลบหน้าไปไหนเล่นมาเล่นไปไม่เคยจันเล่ายากินได้สารพันแล้วทำบุญนั้นหมดกี่สาตาน ทำบุญทำทานกันบางเถิดท่ า, ทานทางหลายถึงยากจนไม่เป็นไรเราก็ทำได้ไม่ต้องมั่งคั่งมาเข้าวัดกันฟังเท้เถิดท่ า, ทานนั้นถูกทางเลิกหวยตายดินให้สิ้นสางกินบ้างเก็บบ้างเหลือใช้ทำบุญ